Thank mm -hmm. you.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 ที่ไม่เปียกได้ก็เพราะว่าเรามีหลังคาดีที่มีหลังคาดีก็เพราะว่ามีการหมันตรวจตราซ่อมแซมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หมันดูแลหลังคารั่วเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ปล่อยให้มันรั่วในสุดทุนมันก็เข้ามาได้คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะก็คือว่าเขาก็ปล่อยให้จิตใจของเขาเนี่ยรายการดูแล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 ท่าไม่ตอบว่าคงหรือลมไหวแต่จิตต่างหางที่ไหวคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขาสนใจแต่ทงหรือสนใจแต่ลมแต่ลืมดูใจของตัวจนกราทั้งเรื่องเล็กน้อยทีาทำท่าจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันถ้าคนเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะคือเราไปสนใจกับโลกภายนอกมากจนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราได้แต่บ่นหรือกังวลว่าทาไมรัฐบาลไม่ทาอย่างนน้นทาไม กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นนไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ลดราคาน้ํามันนะทำไมไม่ช่วยทําให้บ้านเมืองสงบทําไมไม่เลิกทะเลาะ ก, กันสักทีแต่เราลืมดูใจว่าทําไมใจเราไม่ยอมเลิกบ่นสักทีทําไมใจเราหมัวไปทุกนะกับเรื่องที่มันเป็นของคนอื่นเ้านะดูโทรทัศน์ก็ทุกดูข่าวก็ทุกแล้วก็บน่นแล้วก็ว่าคนนน้นคนนี้ว่าควรทําอย่างโน้นควรทําอย่างนี้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 ก็ปล่อยไปทํำหน้าที่นี้ด้วยจนลืมหน้าที่ของตัวไปหน้าที่ของตัวเนื้อคือการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในใจนี่คือหน้าที่ที่ไม่มีใครจะทํำได้เดีย๋ยวนี้เราถึงรู้โลกภายนอกเยอะแต่เรื่องภายในเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เรื่องอะไรที่เกิดขึ้ น, นกับใจเราก็ปล่อยให้ความทุกข์มันสมในใจเราพอไปรับรู้โลกภายนอกแล้วก็เอาความทุก เอาไฟเอาความขุนข้องหมองใจเองความกังวลเนี่ยเข้ามาสุมเข้ามากองไว้ในใจของเราทั้งทที่รู้ว่าหรือรู้สึกว่าทําเช่นนั้นมันทุกข์นะแต่ก็ยังไม่เลิกที่จะเอาเรื่องไร้ายๆเข้ามาสุมเข้ามาเผาลนจิตใจแล้วนะคนเราทำร้ายตัวเองอยู่เสมอนะด้วยใจที่ พุออ่องออกนอกหรือส่งออกนอกตลอดเวลาโดยที่ไม่หวนมารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราทำร้ายตัวเราเองก็เพราะเราเผลอลเผลอส่งจิตออกนอกแ ล, ล้วก็เผลอที่จะไม่รับรู้ในเรื่องของใจของเราเองดังนั้นการจริญสติเป็นเรื่องสาคัญมากการจรุดสติคือการฝึกให้เรามีความรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้น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 เราจําได้ว่าเมื่อวานนี้เราทำอะไรบ้างเราจําได้ไปถึงว่าเมื่อทิ้ติแล้วเราทำอะไรบ้างตอนเช้ากลางวันละเย็นเราทํางานอยู่และเราก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเรานักงไขไว้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเรากําลังดูหนังอยู่ดูโทรทัศน์อยู่แล้วเราก็จําได้ว่าเราตั้งน้ําร้อนเอาไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของสติทั้งนั้นสติเข้ามาทํางานเพื่อทําให้เราเระลึกได้ว่าเรา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 กำลังกินข้าวอยู่เคี้ยวอยู่สักพับอ้าไปแล้วจะลืมไปว่ากําลังทําอะไรอยู่ความจําในเรื่องเกี่ยวกับกายและใจของเราหรือการระลึกได้ในเรื่องเกี่ยวกับใจของเรานี่มันสั้นมากบางทีไม่ตางจากคนประเภทหนึ่งนะมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าความจําสั้นมากมีคนหนึ่งก็ล่าใฟังเกี่ยวกับยายของเขายายอยู่ต่างจังหวัดเวลายายมาเที่ยวกรุงเทพมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะก็พาไป กินอาหารกินอาหารยายก็ถามว่าโอ้ร้านนี้นี่เคยมาเนะร้านก็บอกว่าใช่มาบ่อยสักพักก็ถามว่าแม่ไปไหนแม่ไปทํางานครับเออแล้วนี่ให้เงินหลา น, นยังส0 0 0มื่นพอไหมหลานก็บอกผมยังไม่ได้ให้ครับก็ควักเงินให้ผาไป5ทียายถามไปแล้วไอร้านนี้เคยมานะแล้วแม่อยู่ไหนอ่ะเขาบอกแม่ไปทํางานต่างประเทศครับ หรือออเนี่ยเราให้เงินแล้วยังหลานก็บอกให้แล้วครับหาไปอห้านาทียายถามใหม่ร้านนี้เคยมาแล้อยังแล้วแม่ไปไหนหอ่ะออกไปต่างประเทศเลยมานี่ยายให้ให้เงินหลานหรือยังหลานแกบอกยังไม่ได้ให้ครับยายเปิดกระเป๋าโอ้เงินหายไปไหนเนี่ยคือความจําของยายเนี่ยแค่ห้านาทีเท่ น, นั้นนะไม่ถึงห้านาทีด้วยเดี๋ยวลืมละบางคนนี่ลืมยิ่งกว่านี้นะ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 เดินจงกรมไม่ถึงนาทีไปแล้วลืมไปแล้วว่ากาลังเดินจงกรมอยู่กาลังกินข้าวเขี้ยวได้ 3- 4คําคำไปแล้วนี่เรียกว่าขี้ลืมนะเราจะจำได้ในเรื่องนอกตัวได้ดีความจาของเรายาวมากสามารถสาวไปถึงเรื่องเรื่องอดีตได้10บสปีเป็นความจำที่ฝังได้ลึกเรื่องกายและใจนี่ลืมเร็วมากเพราะนั้นการปฏิบัตินะเพื่อที่ฝึกให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 เวลานึกถึงเรื่องที่ต้องไปประชุมหรือต้องไปคุยกับลูกค้าในเรื่องสำคัญก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาหนักใจแต่สักพักนี้ก็ก็เราลึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ไปกังวลทำไมมันยังมาไม่ถึงเลยแล้วก็แผนการเราก็เตรียมไว้แล้วลึกขึ้นมาได้อย่างนี้อ้าวใจก็สบาย ง, งั้นก็อยู่กับปัจจุบันเดินจงกรมจเจริญส ต, ติต่อไปไม่ถึง2นาทีมันไปละมันลืม แล้วพอไปถึงเรื่องอนาคตกินเรื่องอนาคตใจก็พุกทุก อ, อกทุกใจกว่าจะมึกขึ้นมาได้เราโอ้ยเราก็เตรียมเอาไว้แล้วดีแล้วเราวางแผนเอาไว้แล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องอนาคตรเราห่วงไปกัง่วงกัวงวลไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะเพราะตอนนี้เราอยู่วัดใ้ ง, งานที่เราผ่วงมันอยู่ที่สํานักงานอะ่ะเราลึกได้อย่างนี้มันก็กลับมาอยู่ออกับการปฏิบัติแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปกันแล้ว สิ่งที่เราต้องปฏิบัติคือว่าให้มีความระลึกได้ไวระลึกได้ไวเมื่อเราเผลอไปแล้วเมื่อเราเระลึกได้ไวเราก็จะปล่อยวางมันได้เร็วขึ้นถ้าเราเระลึกไม่ไวเนี่ยมันก็จะไปจมแล้วก็ไปยึดแล้วก็ทาความทุกข์ให้บางทีเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะกลุ้มเราลืมไปว่าไอ้ที่เราทุกข์ๆุกเนี่ยเป็นเพราะเราไปเผลอไปยึดเอาไว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตมีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็มีชีวิตรครอบครัวที่ผาสุกมากวันหนึ่งแกก็พบว่าสามีนี้นอกใจก็โกรธโมโหมากรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาตัวนี้มันสูญเปล่าไปกับผู้ชายคนนี้เป็นเวลานับสิบปีโกรธแต่ที่สุดก็ตัดสินใจแยกทางกันเมื่อแยกทางกันแล้วเนี่ยแกก็รู้สึกดีขึ้นก็รู้สึกอดชมตัวเองไม่ได้ว่าโอ้เร า, เ, ราเป็นเพราะเราปฏิบัติกรรมฐานนะ ทำไม่เราไม่ทุกนานเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็ผ่านไป 3-4 เดือนแกก็เข้าพอสกรรมฐานแต่ปรากฏว่าหาความสงบไม่ได้เลยเพราะว่าพออยู่นิ่งๆเนี่ยไอ้เรื่องเก่าๆนี่ก็หวนคืนมาก็หวนไปคิดถึงเรื่องที่สามีเนี่ยทรยศหักหลังนอกใจเดินก็คิดนะนั่งก็คิดใจนี่ร้อนมาก ทำยังไงมันก็ไม่หลุดเป็นเวลาสอวันทีเดียวแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยคือแกก็เอามือประสานมือไว้ข้างหน้าเวลาเดินพอประสานมือข้างหน้าเดินไปชั่งโมงเนี่ยมันเมือ่อยมันเมื่อยแกก็เลยปล่อยมือปล่อยมือก็รู้สึกสบายหายเมือ่อยในช่วงขณะนั้นแกก็ได้คิดเลยว่าเออปล่อยเมื่อไหรก็หายทุกมันนั้นไอ้ตรงนี้มันก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาเลยว่าโอ้ ไอ้ที่เราทุกเรื่องสามีที่เป็นพรเราไปยึดไปผูกติดกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเพราะจิตได้คิดแบบนี้มันปล่อยเลยนะมันปล่อยความคิดถึงสามีอดีตสามีคนนั้นเนี่ยทันทีเลยพร้อมๆกับขนาดที่ปล่อยมือเกิดความรู้สึกสบายกายสบายใจไปพร้อมๆกันเลยเพียงแค่ปล่อยมือทีเดียวนี้นได้คิดขึ้นมาเลยว่าโอ้เป็นพราะเราไปยึดไม่ยอมปล่อยเรื่องที่ผ่านไปแล้ว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 แต่ช้างเนี่ยดูเหมือนจะผลักใสนะแต่ในสวนก็กลายเป็นยึดไปได้มือเราไปถู ก, กลิ่นอะไรที่มันเหมน็นๆนะ่ะกลิ่นน้ำปลาหรือกลิ่นจะเป็นกลิ่นขี่หมาก็ได้เราไม่ชอบเราเหม็นเราล้างมือแต่สุดท้ายเมื่อล้างมือเสร็จเราก็ต้องเอามาดมยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมนะยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมก็ล้างมือต่อล้างเสร็จก็เอามาดมอีกมันพอๆกับลิงที่มันนูนมันมถูกกปี ลิงพอมือไปถูกระปิ่นี่ก็จะถูๆๆ ก, กับขินรูเสร็จก็จะมาดมใหม่พอมีกระปิ่นก็ถูอีกถูกเสึกก็มาดมใหม่มันถูอย่างนั้นจนกระทั่งนิ้วถลอกเลือดไหลใจเราก็เหมือนกันนะเราไม่ชอบสิ่งใดเนี่ยเราอยากจะผลักมันออกไปแต่ว่าเราก็ยิ่งเอามาคิดแล้ยิ่งเอามาคิดแล้วเราก็ยิ่งทุกข์คนที่เราไม่ชอบเขาพูดอะไรไปเราไม่ชอบแต่เราก็เก็บเอาเรื่องที่เขาพูดเรื่องที่เขาทานี่มาคิด มาตอกย้ำซ้าเติมตัวเองนี่มันทํำลายตัวเองทั้งนั้นนะเพราะใจที่ขาดสติเพราะความเผลอการทิจิตของเราเนี่ยไปชอบกับช่างสียงต่างๆเนี่ยมันก็ลงท้ายด้วยความยึดติดทั้งสิ้นนะแม้แต่เมื่อวานนี่เราพูดเรื่องความตายก็คนก็ไม่ชอบเรื่องความตายมายถึงความตายของตัวนะถ้าความตายของของคนอื่นก็ อ, อยากจะดูอยากจะรู้ หนังสือผิวหนังขายดีทุกวันเนี่ยเพราะว่าคนอยากจะดู ว, ว่าความตายของคนหนึ่งเป็นอย่างไรโดยเฉพาะความตายของดาราแต่ถ้าเป็นความตายของตัวนิสกลัวแต่มันก็อดคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้คิดเสร็จแล้วก็อยากจะผลักออกไปผลักออกไปจิตที่มันพยายามที่จะผลักออกไปผลักออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ทุกข์เพราะมันดิน้นเราไม่รู้ว่าการที่จะทำให้จิตหายดิ้นได้คือการที่รู้จักยอมรับมันพอยอมรับมันแล้วเนี่ยมันก็สงบได้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 หเหตรถข้างหลังเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วไม่มีเบรกเลยในในฉับพลันนั้นแกก็รู้ ท, ทันทีเลยว่าแกกําลังจะถูกอัดก๊อปปี้เพอเาะรถข้างหน้านี่วิ่งเข้ามาอย่างเร็วมากในช่วงขณะนั้นเนี่ยแกระลึกขึ้นมาเดีย ว, ว่าสงสัยตายแน่การที่รู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมือก็กําแน่นเลยนะความกลัวก็ทําให้มือนี่กำพวงมาลัยแน่น แต่ก็มีสติและลึกได้ในขณนะนั้นอย่างฉับไว้ันทีเลยว่าฉันเกรงแบบนี้ฉันเครียดแบบนี้มานานแล้วตลอดชีวิตนะถ้าฉันจะตายฉันก็คอยตายอย่างสบายก็แล้วกันมือแกปล่อยเลยนะคลายเลยนะออกจากพวงมาลัยด้นในช่วงขณะนั้นเองเนี่ยรถก็เข้ามาชนอย่างแรงจากข้างหลังทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่เรียกว่าดับเยินเลยแต่เพราะว่าแกไม่ตายนะตำรวจนี่ต้อง เขามาดึงแกออกจากรถ ด, ดูจากสภาพรถแล้วไม่น่าจะรอดได้พอยับเจินมากตำรวจก็แปลกใจแต่พอถามรายละเอียดจากผู้หญิงคนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยที่คุณรอดไม่ได้เพราะคุณเนี่ยไม่เกรงเพราะถ้าคุณเกรงเนี่ยคุณจะรับแรงกระแทกอย่างหนักและคุณก็อาจจะคอหักได้จต่แกปล่อยเ ง, งแกปล่อยที่แกปล่อยเพราะแกยอมรับได้ว่าตายแน่แต่การที่ยอมรับอย่างนั้นเนี่ย ในช่วงขนาดนึงก็เกรงกลัวแต่สติที่ออกมาทํางานทันทีก็ทําให้ปล่อยปล่อยวางได้และจิตที่ยอมรับความตายเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ทําให้ตายสบายนะแต่ว่าอาจจะทําให้รอดตายได้ด้วยท่านพ่อหลีท่านเคยพูดว่าคนเราจะพ้นตายได้ก็ต้องทําตัวเหมือนคนตายทําตัวเหมือนคนตายที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะท่านได้ประสบการณ์เขยไปรชุดดงในป่า แล้วก็เจอผัวเมียคู่หนึ่งผัวเมียคู่นี้ก็เลยฝังว่าเนี้ยไปหาของป่ามาคราวหนึ่งแล้วก็กำลังหาอยู่เพลินๆ ป, ป, ปรากฏว่าเจอหมีป่าตัวใหญ่เข้ามาประชิดตัวตัวภรรยานี่ก็วิ่งหนีทันขึ้นต้นไม้ในตัวสา ม, มีเนี่ยซึ่งก็เป็นคนลุแ่แก่ๆเนี่ยหนีไม่ทันก็เลยสู้กับกับหมี แต่ยิ่งสู้ก็ยิ่งจิ้งหมดแรงแล้วสู้ไม่ได้เพราะมีตัวใหญ่มากแล้วก็โดนมีมันตะปบเอานะทำท่าจะแย่นะก็พอดีภรรยาซึ่งอยู่บนต้นไม้นี่ก็ตะโกนมาว่าให้แก้งทาตายแก้งทาตายแกยแ ก, ก็ได้สติขึ้นมาก็เลยแก้งเป็นตายีย่คือไม่ต่อสู้มันจะทำอะไรก็ทำไอ้มีเนี่ยแกก็เลยล้มลงนอนมีเนี่มันก็พอมาตบแกแกก็นิ่ง มันก็เลยนึกว่าไม่ตายแล้วพอตายแล้วก็เลยเดินหนีไปเพราะมีมันไม่กินคนก็เป็นนันว่าคุณลุงคนนี้แกรอดได้เพราะทำตัวเหมือนคนตายนะก็เลยมาเล่าให้ท่านพ่อหลีฟังแต่ก็เลยได้เป็นคติว่าเออคนเราจะพ้นตายได้ต้องทําตัวเหมือนคนตายและลุงคนนี้นี่แกเป็นคนที่มีสตินะแต่สติก็เกิดจากการที่ได้ฟังภรรยา พูดเตือนเอาไวนะ้ก็เลยยอมพอยอมแล้วก็เลยรอดตายไอตอนในอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กับสัญชาตยาของตัวเองมาแนละเพราะสัญชาตยาคนเราเนี่ยมันต้องมันอยากจะสู้มันกลัวแต่ว่าแกก็สามารถที่จะกดใจเอาไว้ได้ต้องมีสติมั่นคงทีเดียวที่จะกดข่มความกลัวแล้วก็ข่มร่างกายไม่ให้เคลื่อนไหวต่อสู้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 สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในทางตัวข้ามการที่ดิ้นการที่พยายามสู้เนี่ยมันกลับเป็นผลร้ายนะต่อการและจายของตัวเองสมัยที่อาตมาอยู่วัดอมารวดี10กว่าปีที่แล้วเนี่ยวัดอมารวดีนี่ก็เป็นวัดของหลวงพ่อสุมเมโทโธก็มีเหตุการณ์คราวหนึง่งมีพระที่วัดจิตวิเวกหรือชิดเธรสเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรไม่ทราบ ร่างกายก็ซุดลงไปตามลำดับให้ยาอะไรก็ไม่ตอบสนองเพื่อนก็มาเยี่ยมมาช่วยให้กําลังใจให้สู้ให้มีสติเอาสมาธิเข้าคมท่านก็ดูเหมือนว่าจะดีสักพักเสร็จแล้วก็ซุดใหม่เพื่อนๆก็แล้วก็คอยมาให้กําลังใจอยู่เรื่อยแต่ยิ่งให้กําลังใจก็รู้สึกว่าแย่ลงแย่ลงแย่ลงจนทั่งวันหนึ่งเนี่ย หลวงพอสอซูมเมโทโาก็ไปเยี่ยมแล้วก็พูดอย่างเนี้ว่าท่านกิตินั่นชื่อกิติสารุกิติสารุท่านจะตายก็ตายได้นะวัดไม่ว่าอะไรว่าท่านร้องไห้เลยนะร้องหไห้ด้วยความลื้มใจและบอกว่าหลังจากวันนั้นก็ดีวันดีคืนจนกระทั่งหายป่วยทําไมท่านหายป่วยได้นะเพราะว่าท่านรู้สึกว่าคนอนุ ญ, ญาตให้ตายได้แนละ้วแต่ก่อนเนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านตายไม่ได้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 ใจมันสบายคนเราบางครั้งนี่ถ้าเกิดรู้ว่าตายได้นะไม่มีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเนี่ยบางทีไม่เพียงแต่ทําให้สงบเท่านั้นนะแต่ว่าร่างกายก็กลับฟื้นได้นี่นี่เป็นเพราะว่าที่ร่างกายมันสุดเพราะมันไปยึดเอาไว้ไปยึดว่าฉันต้องหายฉันต้องหายได้แต่เด็กกันก็พยายามผลักไสความเจ็บป่วยพยายามปฏิเสธแต่การปฏิเสธสิ่งที่มันอยู่ต่อนหน้าเนี่ยมันก็ยิ่งทํำลายตัวเอง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 ถ้าจะไม่รอดภรรยาคือน ก, กูลมานดา ก, ก็เลยบอกว่าท่านอย่าเป็นห่วงนะว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยเราจะดูแลลูกไม่ได้ขอให้มั่นใจว่าเราจะดูแลลูกๆได้แล้วบอกว่าเนี่ยท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าว่าเราจะไปมีผู้ชายคนใหม่เราจะไม่มีแม้ท่านตายจากไปแล้วท่านจะเป็นห่วงนะว่าเราจะไม่รักษาศีลหเราก็จะรักษาศีลหาอยู่ท่านจะเป็นห่วงนะว่าเราจะ ในอุปถัมภ์ดูแลพระพุทธองค์และคณะสง์เราก็จะนิมนต์ท่านมาที่บ้านอยู่เป็นประจำพูดอย่างนี้ให้ความมั่นใจอย่างนี้จนกระทั่งนักุบิธานี่หายห่วงวราก็ว่าแกฟื้นขึ้นมาเลยหายป่วยเลยตอนแรกก็นึกว่านี่เป็นเรื่องเล่ามันก็เป็นนิทานแต่พอฟังเรื่องท่านกิติสาโรนี่ก็เออมันก็คงใจเป็นจริงนะจิตของคนเรานี่มันก็แปลก